พี่น้องเอ้ยตุกวางซาตาขึ้นยืน มีอาบักอาย พระทมคมคืน ไอ้เอ้ยใจของเจ้าจังแปรเปลี่ยนพี่เคย ของกี้แมนหลี เจ้าระทมคมคืนทุกวันคืนไม่มีวันจะเห็นหายเนี่ยเคยรักของพี่มากลับลายสุดเสียได้แม่ช่อชบ้าไพรใจเอ้ยใจของเจ้าช่างแปลเปลี่ยนที่เคยเตือนเจ้าแล้วจำได้ไหมว่าคนดีของพี่อย่าเปลี่ยนใจ คนอีไปซาอุดิอาระเบียเสียใจแด่เมียโตเป็นเมียคนเสียดายเงินให้